พระธรรมเทศนาแผ่นที่108ดลำดับที่สโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดดอนธานีแสดงธรรมในวันที่8กรกฎาคม2560นี้มีชื่อเรื่องว่าลือสีจริงรือสีปลอมอาหมอบกราบลงพวกคณะทศไทยญาติโยมทั้งหลาย ที่เป็นสิทธาอนุสิทธิ์ของวัดป่านาคําน้อยพวกเราท่านทั้งหลายได้ประมาทพลาดพังพระสงฆ์มีหลวงพ่อเป็นประธานแล้วกับพระสงฆ์ทุกโลกได้ประมาทพลาดพังครูบาอาจารย์ด้วยกายวาจาใจคณะสงฆ์หลวงพ่อก็คงจะให้ยินดีโอโหสิกรรมให้กับพวกเราท่านทั้งหลาย พวกเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันเมื่อพระสงฆ์ได้ประมาทผาดพังสิ่งใดก็ตามพวกเราก็ยินดีโอโหสีกรรมให้ซึ่งกันและกันทั้งฝ่ายพระสงฆ์ด้วยทั้งฝ่ายญาติโยมด้วยและขอให้พวกเราสั่รวมระวังจะได้มีบ่อยอในการประมาทผาดพังให้เคารพพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ท่านเป็นภูมิศินกว่าถึงท่านจะพูดยังไงเราก็ฟังฟังไว้ก่อน เพราะว่าในหลักพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าภิกษุณีที่บวชถึงร้อยปีก็ให้เคารพาพระภิกษุที่บวชในวันนั้นอันนี้คล้ายๆบอกพระพุทธองค์ก็ได้พูดได้ตรัสไว้แล้วด้านพวกเราท่านทั้งหลายถึงยังไงพระสงฆ์จะเป็นยังไงก็ให้พวกเราฟังศึกษาไว้ก่อนถ้ามันผิดจริงเราคอยว่าตามที่มันผิด ถ้าว่ายังไม่ผิดอะไรเราจะไม่มัวเมียพูดเปล่ปาๆไปเลยไม่ได้ผิดไม่มันไม่ถูกต้องผิดศีลผิดธรรมอีกผิดจริยากิริยามารยาทอีกผิดจริยธรรมคือความประพฤติของตนอีกเพราะนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ก็ขอให้พวกเราสำรวมระวังและกับพระสงค์ก็ยินดีหสิกรรมแลวพวกเราก็คงจะ ห, หัวหัวศกรรมเช่นเดียวกัน พาพวกเรามีความมุ่งมั่นมุ่งหวังต้องการความพ้นทุกข์ในวัฏสงสารจะไม่มาเปียนไหวตายเกิดอีกเราก็รู้อยู่แล้วว่าการเวียนไหวตายเกิดมีแต่ทุกข์เป็นทางนั้นอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นเพราะนั้นให้พวกเราก็มีความตั้งใจที่จะหวังความพ้นทุกข์เพราะนั้นก็ให้พวกเราทุกๆท่านจงประกอบคุณงามความดีเพื่อหาทาง พ้นทุกข์ในวัฏสงสารถึงแดนพานิพานโดยเร็วให้ดวงตาพวกเราทันทั้งหลายทุกทั้งฝ่ายพระสงฆ์ทั้งฝายศรัทาธาญาติโยมน่ะมุม่งหวังเพื่อทางพระเพื่อทางพ้นทุกข์ให้ดวงตาเห็นธรรมในที่สุดน่ะอะหังขามามิตุมเหหิปิเมขามามิตับบงังเอวังโฮตูเอวังโฮตูโยจะปุเปปมัาชิตวาปัชาโซนปะปัมมะสติ โซมังโลกังปพาเซตีอภามุตโตวจันธีมาอภิวาตนาสีริจณนจังวุธาปจายีโนจัตตาโรธรรมาวทานทิอายุวันโนสุขังภาลางังโ ว, วันนี้เย็นวันที่แปดคคหกศูนโยมผู้ชายห้าสิบเจ็ดคน โยมผู้หญิงแปดสิบเจ็ดรวมแล้วหนึ่งร้อยสี่สิบสี่คนถ้าหากว่าพวกเราอยู่ในท้องถิน่นใ ห, ให้มารักษาศีลภาวนาให้อย่าให้ขาดนะเว้นเสียแต่พวกมาจากถิ่นอื่นถิ่นไกลมารักษาศีลในวันนี้ก็เออเอามันอยู่ไกลมาไม่ได้มาไม่สะดวกแต่ผู้ใดมาสะดวก ก็ควรจะมาไหว้พระสมาทานศีลเนี่ย น, นะในพรรษารักษาศีลโอเบโสดรักษาศีลห้าในพรรษาเนี่ยก่อนเดือนหนึ่งก็มีสี่ครั้งแปดข้ามสิบห้าข้า8แปดข้ามสิบห้าข้ามีสี่ครั้งสี่สามกับสิบสองเพียงสิบสองวันก็ไม่เห็นจะหนักหนานะเราเอ่าออ ประกอบคุณงามความดีเให้กายวาจาใจของเราชําระเพียงสิบสองวันในพรรษาถ้าว่าเรายุ่งยากมันก็ต้องยุ่งยากนะถ้าเราเสียสละมันก็ไม่ยุ่งยากพอเราต้องการมีความชําระกายวาจาใจเราประกอบคุณงามความดีไม่เห็นจะยากนะเพียงสิบสองวันเพราะนั่ น, นพวกเรารักษานะ ทางหมดเนี่ยนะทางร้อยสี่สิบสี่คนเนี่ยนะถ้าผู้อยู่ทางไกลล้วเออเอาก็ไม่ว่ากันแต่ผู้อยู่ใกล้ๆในละแวกนี้ใกล้นั่นอนะ่ะรักษาของแชมป์เอาไว้รักษาศีลรักษาธรรมอาไว้เพียงสิบสองวันหลวงพ่อว่าไม่น่าจะหนักหนาสนำหรับผู้ไฝ่ในการบณญการกุศลนะเว้นเสียแต่พวกเรา ทำตามกระแสทำตามกระแสไปอย่างนั้นอไม่ได้หนักแน่นอะไรอันนั้นไม่น่าไม่น่าจะถูกเหมือนกันนะผมพอ่ว่านะให้พวกเรามุ่ง ม, มั่นมุ่งหวังตั้งใจนะก็ไม่เห็นใจจุงอยากโดยเฉพาะยังยิ่งผู้สูงอายุนะผู้มีอายุสูงอายุล่ะผู้น้อยผู้หนุ่มอีกอย่างหนึง่งมีภาระหน้าที่การงาน แต่ผู้สูงอายุนะน่าจะปล่อยวางได้แล้วไม่ควรจะกระโดดรถเต้นจนเกินไปแหละน่าจะปล่อยวางได้ถ้าเราไม่ปล่อยวางเ็ไม่รู้จะทบยังไงปล่อยวางเมื่ อ, อไหร่จนลมใจขาดเขค่อยปล่อยวางก็าไม่น่าจะถูกเหมือนกันนะเราต้องปล่อยวางก่อนคิดปล่อยวางก่อนไม่ต้องห่วงห่วงอะไรมากมายนักนะ ห่วงไปแล้วขนั้น่ะการเป็นห่วงสิงไหนก็ตามเป็นสิ่งที่ไม่ดีทั้งนั้นในหลักของพุทธศาสนาการนาฏพระเป็นห่วงผ้าจีวรยังยังตายเป็นตัวเล่นได้พวกเรามันอาจจะกว่านั้นอีกแต่เนี่ยมันมีหลายห่วงละเกินอพราะนั้นเราฝึกหัดทางไม่ห่วงไว้เพราะเราก็เคย อยู่เคยผ่านมาแล้วเนะี่ยฝึกหัดจิตใจไว้ทางไม่ห่วงไว้ดีกว่ามั่งหลวงพ่อวานะวันนี้เป็นวันที่แปดกรกฎาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเป็นวันอาสารหาบูชาเป็นวันวันพุ่งนี้เป็นวันเข้าพรรษาปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบแต่วันนี้ก็ ตามไม่จริงต่างบางบางวัดนะวัดอาสาระบูชาในท่านของเวียนเทียนรอบสาราหรือรอบพระเจดีย์หรือรอบพ ร, อ ร, อบอระพุทธปฏิมาแต่กรูบาจารย์วัดของเราหรือกรูบาจารย์สายกรรมฐานในโดยมาคท่านภาวเวียนเทียนตั้งแต่วันมาฆบูชากับวันวิสาขบูชานะ วันอสาระหะบูชานท่านมีแต่ว่ายพระสวดมนต์ธรรมดาร้านหลวงพ่อก็ยึดแนวปฏิปทาของครูบาอาจารย์ท่านพาดำเนินมานั่นแหละแต่ตามไม่จริงได้ไหมคารวะก็ได้ก็ดีทั้งหมดนั่นะอละพอเราจะแสดงความขอบขรบคารวะ เ, เวียนพระทักษิณรอบพระพุทธปฏิมา แต่เรามีแต่ไหว้พระสวดมนต์ในวันนี้แต่ถึงยังไงก็ขอให้พระลูกหลานสทาญาติโยมทุกคนนะในพรรษานีห้เข้มงวดกวดขันกับตนเองอยากจะให้ภาวนาเนี่ยเป็นหลักนะรักษาศีลเนี่ยขใช่เป็นเปลือกให้ทานนี่ยขใช่เป็นเปลือกเป็นกระพี้แต่ภาวนานี่เป็นแก่นนะ ให้พวกเราให้พวกเราท่านทั้งหลายให้ฟังเอาไว้ว่าภาวนาคือแก่มเป็นบุญเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณก็คือภาวนาแต่ว่าการบำเพ็ญมาในอดิตชาติตนตนจนถึงสี่อสงไขยกำไรแสนมหากับอันนั้นคือพระองค์บำเพ็ญเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาเรื่องทานศีลภาวนา สมัยเป็นฤาษีชีภัยกอบเรื่องภาวนาแต่จากนั้นกับเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาแต่พอจะตัดกิเลสจริงๆตัดภพตัดชาติจริงๆก็คือเรื่องภาวนาเพราะนั้นเรื่องภาวนา เ, นเป็นเรื่องที่จําเป็นสําคัญอย่างมากนะสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายเพราะพระพุทธองค์อันในสงทานอันในสงศิลขึ้นไปสู่สวรรค์ หชั้นนะจารุมตาวติงยามาตุธิตานี่มานาตีพิปรปณิยมพิสัพพตีสวรรค์6กชั้นแต่พรหมถ้าผู้ใดภาวนาสมัยเป็นฤาษีชีภัยบำเพนเป็นฤาษีบำเพนศีลฤาษีในตัมากรักษาศีลห้าก็รักษาศีลแปรักษาศีลห้าเป็นพื้นฐาน บางทีก็รักษาสิน8คือสีบางคนก็รักษาสิน8บางทีก็รักษาสินห้าอยู่ในป่าน ะ, ะแล้วก็พันค ม, มมเพนเรื่องเพ่งไฟบางเพ่งน้ำบางเพ่งกะสินดินน้ำลมไฟ เ, เพ่งความว่างบางเพ่งอากาศ เ, เพ่งสีขาวพวกถือสีชีพายอยู่ในป่าจากนั้นท่านก็ได้ฌานจิตใจเข้าสู่ความสงบเป็นฌานเกิดจากนารนะ แล้วก็หเห่อเึินเดินฟ้าได้ดำดินบินบนได้ฤาษีสมัยก่อนไม่ใช่ย่อยนะแล้วก็ทาไมในในเดี๋ยวนี้ทาไมฤาษีจึงไม่มีเล็ดหลวงปู่จามท่านให้เหตุผลนะแต่หลวงพ่อก็ไม่ได้อ่านในตำราก็ไม่มีเหมือนกันนะแต่หลวงปู่จามบอกว่าถ้าพระพุทธศาสนา ยังได้นำสั่งสอนบอกกล่าวจังมีพุทธศาสนาอยู่หรือศีก็ดีเพราะประเจกพุทธเจ้าก็ดีจะไม่อุบัติขึ้นในโลกแต่เป็นฤาษีก็ไม่มีฤทธิ์ถ้าฤาษีมีฤทธิ์มันจะข่มผมพุทธศาสนาข่มพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นฤาษีจึงไม่มีไม่มีอิทธิฤทธิ์อันนี้หลวงปู่จามทนายให้เหตุผลนะ นีเราก็ฟังฟังเอาไว้เหมือนกันแต่ลือศีคำนี้น่ะก็มีลือศีจริงหรือศีปลอมก็มีในครั้งพุทธในครั้งพุทธการนะถ้ามีลือศีสมัยพระพุทธเจ้าเป็นลือศีโอก็นนาเขาลบหน้านับถือเลื่อมใสเหมือนกันนะลือศีพุทธเจ้าท่านเป็นพรามออกไปบวช พอไปบวชท่านไปอยู่ในป่าบำเพนนญ็ญได้ฌานจากนั้นท่านก็เข้ามาในเมืองพอมาในเมืองท่านก็บินทบาทฉันในเมืองก็ไปพักในอุทยานสมัยนะั้นพระพุทธเจ้าเป็นฤาษีไปพักในอุทยานท่านก็แนะนำสั่งสอนสอนคนให้มีความอดทนนะทุกคนถ้ามีความมีขันติมีความอดทน ดีจะเป็นภูมิครค้าว่วาถเ่าในเรื่องราวต่างๆเรื่องไหนก็ตามถ้ามีความมีขันติมีความอดทนอยู่ในจิตใจแล้วสิ่งนั้นจะสำเร็จรลุร่วงไปได้ด้วยดีเพราะมีมีขันติมีความอดทนเป็นพื้นฐานาแต่นี่ท่านก็แนะนำสั่งสอนจัทธาญาตโยมพี่น้องประชาชนมากต่อมาก ท่านก็แนะนําเรื่องขันติน ะ, ะชาตินั้นเป็นว่าเป็นพระพุทธเจ้าบําเพ็ญเรื่องขันติคือความอดท น, นต่ตอนนี้มีพระเจ้าเป็นดินอยู่กรุงอกรุงพาลาสนสาศีแต่เป็นพระเจ้าเป็นดินขี้เมาบ้าะนเลยกินเหล้าเมาหัวแปะหัวแปดออไม่มีคุณธรรมศีลธรรมจะได้อย่าทําที่ดีอีกต่างา ง, างหากเลยพอกินเหล้าเมอลแล้วก็ ท่านก็ไปชมสวนสวมอุทยานพอไปราก็ไปนอนไปพักสนมกำนันทั้งหลายก็งหอมล้อมอ่าที่อีกกลุ่มหนึ่งสนมกำนันที่มานั่งนั่งหอมล้อมเขาก็เดินไปชมสวนไปไปเจอฤาษีไปฤาษีเขาก็ไปหอมลอม้อมฤาษีบ้านไปหอมลอม้อมฤาษีถือสีกเทศให้ฟัง เทศให้ฟังหมดนะพวกเราทุกคนต้องมีขันติคือความอดทนถ้าหาว่าคนเรามีขันติความอดทนแล้วดีอยู่นัดสถานที่ใดตอนี้พระเจ้าแผ่นดินมัวเมียขึ้นมาตื่นหายจากเหล้ามัวเมียขึ้นมาถามหาสนมกำนันเอามันไปไหนหมดนางสนมที่อยู่เฝ้าล้อมรอบอยู่ก็บอกว่าน่ะเขาไปเฝ้าฤาษีอยู่ในมุมนั้นน่ะ ฤๅษีมาจากไหนบอกพระฤๅษีท่านมาพักบําเพ็ญพจนอยู่ในสวนอุทยานเนี่ยบําเพ็ญมาพักผ่อนมาพักภาวนาพระพราชาเนี่ยโมโหขึ้นอย่างแรงนี่แหละคนที่เป็นอริศัตรูกันเนี่ยมันไม่ได้คิดหน้าอ่านหลังได้ไอ้ขาว่าโมโหกัขึ้นมาอย่างแรงมันที่ไหนฤๅษีเนี่ยเอเข้าไปพอเข้าไปเสร็จแล้ว พวกนี้มันพรุ่ยเสยสอนอะไรบ่เนี่ยฤาษีบ่าสอนขันติคือความอดทนเออนั่นละเธอฤาษีได้เห็นขันติของตนเองเอ้อเอาเพชรข้าศามานี่เลียกเพชรขา้าศ์ของมันเพชรขาศพบเข้าไปจำการเอา้ามัดฤาษีพอมัดฤาษีมัดออกแขวน ไหวไปทั้งหน้าเขียนร้อยเทีแสวสัยเพจจะขาดตีเลยตีหลังลือสีเอเอไปยังไงลือสีบอกว่าขันติมันไม่อยู่ในกายขันติไม่อยู่ในใจเอออยู่ในใจต่างหากมันไม่ใช่อยู่ในกายแต่ขันติตีตยังไงตีกายมันอยู่ในใจขันติเออท้ายงันเอาตาดัดหู ตัดหูทองสองข้าวเป้ไงฤาษีก็ว่าขันติไม่ได้อยู่ในหูมันอยู่ในใจเอาตัดจมกูกเอาไปมาตัดแข้งตัดขา น, นไปตัดอะไรกับผู้ฤาษีก็ยังบอกว่าขันติมันอยู่ในใจมันไม่ได้อยู่ในแข้งในขาในตีในมือพระเจ้าแผ่นดินโมโหอย่างมากกว่านะกระโดดก็ไปกระเทิบหน้าอกพระฤาษีะ เพอรอฤาษีก็บอกว่าขันติไม่ได้อยู่ที่หน้าอกมันอยู่ในใจอยูอาจากนั้นฤาษีก็เลยตายนะตายได้ข่าวนั้นพอตายแล้วพระเจ้าแผ่นดินก็หนำใจว่เดินออกมาพอเดินออกมาหน่อยหนึ่งแผ่นดินสูบเลยทีแผ่นดินสูบในชาตินั้นเนี่ยพระเจ้าแผ่นดินสูบเอพระเจ้าแผ่นดิน พวกชาวเมืองโอ้ตายตๆๆตายตาย ต, ยตยไปทำทาลุนกรรมให้กับฤาษีขนาดนี่บ้านเมืองจะล่มจมจีบหายอะไเลยผ่านบ้านเมืองก็เลยเสยนาอามาศ ร, ราชสเวกทั้งหลายก็เลยมาขอคารวะแต่ช่วงนั้นไม่ตายชือศรียังไม่ตายนะกระถือนะก็ถือหน้าอกล่อแรล่แล้วงั้นออ แต่ท่านพกอกระที่ยวมาออกหรือพ ร, พระเจ้าเป็นยังก็เดินกลับออกมากัะแผ่นดินสูบในในนั้นอะ่ะแต่นี้พวกเสนาอัมบาทราชเสวกทั้งหลายก็กลัวมันจะเป็นอาเพศเป็นพิษเป็นภัยแผ่นดินถลม่มมันจะล่มล้มหายจะตายจิบหายไปทั้งบ้านทั้งเมืองเพราะพระราชาทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องพวกราชอา ม, มาทราชเสวกทั้งหลายก็เลยขอ ดอกไม้ไปคาราวะฤศีโอ้ยท่านฤศีอย่าไปถือโทษ โ, ทษโกรธเคืองนะเป็นคนคนเดียวทําพวกข้าพเจ้ายังรักเขาลบในขันตินคือความอดทนพระองค์ท่านฤศีอยู่ขอท่านอย่าไปโทษถือโทษ โ, ทษโกรธเคืองจะทําให้บ้านเมืองล่มจมจิบหายโดยเทินขอท่านเอาหสวีกรรมให้กับพวกข้าพเจ้าขอโทษพระฤศีเอา้า เราไม่ได้ถือโทษโกรธเคืองกับใครทั้งหมดน่ะผู้ทำกรรมอันไหนว่ากับกรรมนั้นกับตามเขาก็รับกรรมไปตามที่เขาได้ทำพอว่าเท่านั้นไม่นานซื้อฤาษีก็เลยตายมรณะภาพเนะพราะบอบช้ำในการที่พระเจ้าแผ่นดินกระโดดไปกระถือหน้าอกนะ่ะตายไปท่านก็ไปสู่พรหมโลกในชาตินั้นพระองค์บาวรในชาตินั้นเน่ะ พระเจ้าไปดินพม่าทัดนก็คือพระเทวทั์ในชาตินี้เราตถาคตที่เป็นลือศีนี่คือเราตถาคตในชาตินั้นเราบาเพ็ญเรื่องขันติคือความอดทนนี่แหละอันนี้ก็คือลือสีเหมือนกันแต่ก็ลือสีหนึ่งอีกท่านมีบริวารตั้งห้าร้อยเป็นพรามออกไปบวชแต่ห้าร้อยคนในกอน ไปบำเพ็ญอยู่ในป่าพอวันหนึ่งก็เลยพอลือสีอยู่ในป่านสิ่งที่รอแหลมอันตรายที่สุดก็คือลือสีหิวหิวไม่มีเกลือเลยอยู่ในป่าตรงไม่มีเกลือกินคนไม่มีเกลือกินโอ้เออมันไม่ไหวมันตัวเหลืองอีกเหมือนกันเนะี่ยคนขาดเกลือนะแต่ทีนี้ท่านลือสีก็เลยปะเข้าไปหาหกินอาหารพกเค็มพกเผ็ดในเมืองเถอะ ก็เลยพาฤาษีบริวารเข้ามาในเมืองกุก้งพาลานาศีก็เข้าไปพักในสวนอุทยานพอไปพักเสร็จแล้วก็เลยบอกกับลูกน้องไปะได้เวลาแล้วกินเกลือพอสมควรแล้วเอาเกลือเข้าไปด้วยพอเข้ามาลูกศิษย์ผู้ใหญ่ลูกศิษย์ผู้ใหญ่แต่ว่าท่านอาจารย์ครับผมยังทําโตราอย่างไม่เสร็จผมขออยู่ ผมจะขอกลับทีหลังครับท่านอาจารย์ในท่านอาจารย์กลับไปก่อนได้ไหมออได้เอาแบ่งลูกศิษย์กันคนละห้ารอยการลูกศิษย์ทางลูกศิษย์ผู้ใหญ่นั่งเอาไว้ห้าร้อแล้วก็เอาไปาคนละ2องห้าสิบแต่คนละ2องห้าสิบเลยแบ่งกันกลับไปกับอาจารย์2องอยห้าิอยู่ที่นี่สองอห้าสิบอ่าแต่เด็ก็ ผูลุกจิผู้ใหญ่ก็อยู่ที่เมืองทมภาระธุระอยู่แต่อาจารย์เนี่ยกลับไปในป่าอุตป่าหิมพานแต่อาจารย์เนี่ยเคยพูดเสมอว่าในตัวของเราไม่มีอะไรมีแต่ความว่างมีแต่ความว่างจิตใจของเราเนี่ยว่างไม่มีอะไรไม่มีคุณธรรมอะไรทั้งหมดในตัวของเรา มีแต่ความว่างเท่านั้นเออเรามองไม่เห็นคุณงามความดีอย่างอื่นมีแต่ว่างอย่างเดียวอ่อทีนี้กอลูกศิษย์มาอยู่ในเมืองต่อมาอาจารย์แบบป่วยตายบ่าเนี่มลณาภาพในปีนั้นทางลูกศิษย์ผู้อยู่ในเมืองเนี่ยกับลุกศิษย์ผู้ใหญ่เอ๊ะทำไมระ ล, ลึกถึงอาจารย์บ่อยเหลือเกินวะอาจารย์ไม่สบายหรือเปล่านอ้ออยู่ใน ป่าหน่อเครดถึงอาจารย์พอเสร็จภารกิจออกพรรษาแล้วก็รีบเข้าไปพอเข้าไปไปเห็นทราบว่าอาจารย์ตายแล้วโอ้ก็เลยถามพวกนั้นมาเพวกท่านเมื่ออาจารย์ตายไปแล้วทําสักการะอะไรไหมทําพิธีกรรมพิธีการอะไรไหมมีดอกไม้มาบูชาไหมทําพิธีมีกองฟืนมีการเคารพแสดงความคาระวะ ในพระ อ, อาจารย์ไหมทางพูกศิษอยู่ในป่าโอ้ยไม่แล้วบอกว่าอาจารย์ไม่มีคุณภาพไม่คุ้ไม่มีคุณธรรมอะไรเมื่อกับตายเหมือนกับคนธรรมดาตายพอตายแล้วผมกับพวกเรากับเผาเอาไปเผาไฟเดีดีดไม่เอาเชือกมัดคอหลากไปอย่างนั้นออดีดีก็เอาไปเผาเเผาเสร็จเรียบร้อยแล้วเผาแล้วเก็บกระดูกไว้กันฝังลงใ น, นั้นแล้ว ของไอ้นั่นแหะท่านไม่มีคุณธรรมอะไรอาจารย์ทางลือสีที่อยู่ในเมืองที่เป็นลุกศิษย์ผู้ใหญ่โอ้ตายคำว่าไม่มีอะไรคือความว่างนั่นแหละคือจิตใจที่ท่านว่างจากความชั่วทั้งหลายทั้งปวงจิตใจเป็นอาการนาันจายตระนะเป็นอากาศเป็นว่างที่ของว่างไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรนั่นแหละเป็นความว่างของของจิตใจที่เป็นธรรม ไอ้พวกอยู่ในเมืองพวกอยู่ในบ้า น, นในป่าเนี่ยโอ้ยอย่าไปหาพู้อ่าูดมันยืดยาวเอาไปมาสุกสิษย์สองกลุ่มเทียงกันบาตเนี่ยพวกอยู่ในป่าก็อยู่ในเมืองเพิ่งมาใหม่อาจารย์อยู่ที่พรมไปอยู่ในพรมแล้วนี่อเนี่ย อ, อ, อยู่ในพรมอาจารย์ก็เลยเห็นพ่าลูกศิษย์มันจะทะเลาะกันไม่รู้จักจบมันจะลงหมัดลงมวยกันล่ะ ออาจารย์ก็ลงมาจากพรมเลยเพ่งแสงสว่างจ้าเอลงมาจากท้องฟ้านะมาเห็นผู้น้มองเห็นออพวกเห็นมองเห็นพวกนี้ก็พวกเธอทั้งหลายถกเถียงกันเรื่องอะไรออผู้เป็นอาจารย์ถามท่านทํำมันจําได้ว่าเป็นอาจารย์นี่ละวิทย์ให้เป็นเหมือนอาจารย์พวกนี้ก็ว่า่ะถกเถียงกันเรื่องเนี่ย อาจารย์ก็เลยบอกว่านี่นะจะเป็นร้อยเป็นพันก็ตามถ้าไม่เข้าใจในคำพูดของเร า, เาก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรคนคนเดียวเข้าใจในคำพูดของเราคนนั้นมีประโยชน์มีประโยชน์กว่ามีคุณค่ากว่าคนเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสรแต่จะเ ก, เกิดประโยชน์อะไรเพราะไม่รู้ความหมายที่เราพูด เพราะว่าแต่นั้นก็ได้ผมก็ะหายแวบเข้าสู่สั้นผมไอ้พวกที่รู้ว่าตายคุณอาจารย์ไม่มีคุณภาพอะไรก็หมดไม่รู้จะพูดจะไงอย่างั้นแตเพราะอาจารย์ลงมาจากสั้นผง ม, มาบอกกล่าวให้ฟังแล้วท่านไปอยู่ที่ไหนเนี่ยนะสรุปแล้วก็คื อ, อลูกศิษย์กลุ่มโง่กลุ่มฉลาดแต่นั้นแหละ พูดได้เพียงแค่นั้นลูกศิษย์ที่โง่ไม่ไม่รู้ความหมายลูกศิษย์ที่ฉลาดที่รู้ความหมายของอาจารย์ที่พูดได้กล่าวให้ฟังไอ้เ น, นี้ก็คือเรื่องของฤาษีในชาดกต่างๆเนี้ยมีเรื่องฤาษีมากที่ได้อ่านได้ศึกษาดูแล้วนะ อ, อสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าเป็นเกิดเป็นเฮียนะคือเกิดตัวแลนเนะี้ย คงจะไม่เหี้ยไม่ใช่เหี้ยในน้ำหรือทุกงราบพราะมันถ้าเหี้ยมันก็ต้องอยู่ใกล้น้ําอันนี้มันอยู่ในจอมปวกนะแต่นี่ลือสีก็ไปอยู่ไปบําเพ็ญอยู่ในป่าพอในหนังถ้าเสือตายเนี่ยก็ไปสำแหละหนังเสือได้มาสตารปเสร็จแล้วก็เป็นผ้านุ่งห่มเป็นผ้าสบาตัวลายยห น, ะนังเสือใช่ไหมแล้วก็ใส่ชดาใส่หัว ใส่หนวดเขายาวพะลุงพลังนะจากนั้นซื้อเศษลือศรีเท่นี้เลยอยากจะกินเกลือเหมือนกันนะ่ะมันขาดธาตุเกลืออนะไรก็เลยเข้ามาเข้ามาในเมืองมากับไปบินทบาทกับพวกนั่นแหละพวกลือศรีพวกเศรษฐีเศรษฐีอยู่ในหัวเมืองจากนั้นท่านก็บินทบาทชันจะแล้วซื้อศรีดูแลอย่างดี ท่านก็ได้รับความสะดวกสบายแต่มีจอมปวกอยู่ใกล้ๆจอมปวกหนึ่งและก็มีตัวแลนด์ตัวแลนตัวตะโกดเนี่ยนะมันก็ออกมาหากินในรูของมันมันก็เดินง่วงง่างง่ ง, งางไปตามประสีประสานะพอตกตอนเย็นมันก็เข้ารูว่าตอนเช้ามาแล้วก็ออกมาหรือสีกอ็อยู่ในนั้นก็ไม่เป็นไร แต่วันหนึ่งฤฤษีเนะี่ยไปบินทบาทในบ้านในบ้านของโยม嘛เนะีอยโยมเขาก็เลยเอาตะกรวดนะ่ะตะกรวดย่างให้กินให้ให้ให้ถวายฤฤษีเลยทั้งเนื้อแกงด้วยทั้งย่างด้วยนะอพอเขาได้ตะกรวดฤฤษีกินตะกรวดโห้ตะกรวดมันอร่อยขนาดเนต้าเหลือเนะี<笑>่ยติดใจในเนื้อตะกรวดเหมือนกันนะ เ, เนื้อแลน เ, เสร็จแล้วก็ เดี๋ยวทนะมืออื่นวันพุ่งนี้แหละ เ, เราเตรียมแต่พดไวนะเอาพอมันตะกวดออกมาเท่านั้นแหละเราจะขอนทบเลยนะกระโดดท้อนทบตีตะกวดเลยนะลือศีติดรถในในรถตะกวดวนะ่างั้งือตะกวดแต่นี้ตะกวดตัว น, นั้นกับวันนั้นลือศีนี่ย ค, คนคนจะฆ่าคนอื่นมันก็ต้องรำมัดทำแหงใช่ไหมละ่ะตาก็จำเรื่องจำเรืง เ อ, อมันมีอากัปกิริยาแต่เฮียตอนนั้นมันเฮียนักปลาร์ดวะนี่เป็นเฮียพระโพธิสัตว์ใช่ไหมเฮี ย, รยพระโพธิจเจ้าหนึ่งไปสศกประชานเป็นเฮียเป็นตกตัวตะกวดไ อ, อตอนนั้นเฮียตอนนั้นกออกมาเอ๊ะทาไวตะก่อนเนี่ยลือศีไม่ทําอากับกิริยาอย่างนี้นะแต่วันนี้ทําไมอากัปกิริยาของลือศีนี่แปลกๆวะ่ะเฮียมันสังเกตเอ๊ะนี่แ่ะ คือความการตั้งความสงสัยนั่นแหละคือปัญญานะหลักของพุทธศาสนาถ้าไปแบบซื่อๆโง่ๆน่นคือความโง่ไปตั้งังงการตั้งความสงสัยนั่นแหละคือปัญญานะเนี่ยตัวนี้ตะกวดตัวนี้ก็สงสัยว่านี่ยทำไมลือสีตัวนี้ดูดูแล้ซ้ำเรืองตาแป๊บแป๊บแป๊บแปบไม่น่าไว้ใจว่ะเออตะกวดตัวนี้นะ่ะ มันก็พยายามลบลูบล่บล่อลู่ลู่บลออยู่เทั้งมองดูทั้งออกมาเพอออกมาือพอเกือบจะพ้นตัวเท่า น, นไอ้ฤาษีเนี่ยกิคิดว่าค้อนเวียงไปก็คงจะถูกคอมันก็คงจะบ้วนตรงในนั้นแหละแต่จังหวะพอดีอพอเสร็จแล้วถอดคอนออกมาที่หมกไว้ใน ในผ้าของตอนเองเลยกัดโตแล้วพ่อเวียงอย่างแรงนะวนะเพื่อจะให้ถัดถูกตะกวดว่างั้นตะกวดมันเตรียมท่าอยู่แล้วสินี่เอามันระวังตัวอยู่แล้วนะมันมันเตรียมพร้อมเลยมันก็เวียงพัดเข้าไปในลูเนะลยรูจอมปวกเออพอจองปวกท่นนะั้นหรือสีก็เวียงผิดว่างนะั้นแทะตะกวดมันก็เลยหัวโผล่ขึ้นมา โผงขึ้นมาตะโกดมันก็เลยบอกได้ไหงเอ้ยท่านฤาษีท่านทําไมทําอย่างนี้เลยท่านทําอย่างนี้ได้ยังไง อ, อ ท, ท่านไม่มีศีลเลยนี่เ อ, อท่านาจะจะฆ่าคนอื่นต่างหากดูภพภายนอกของท่าน อ, อมออีน่องห่มหนังเสือมีชาดามีหนังเสือ เหมือนกับนักพจน์นักบวชเป็นผู้ทรงศีลแต่ภายในของท่านลกลุงหลังท่านเป็นผู้ขัดสีแต่ภายนอกประโยชน์อะไรด้วยหนังเสือของท่านประโยชน์ประโยชน์อะไรด้วยชดาของท่านภายในของท่านลกลุงหลังเต็มไปด้วยกิเลส ท, ท่านขัดสีแต่ภายนอกภายในของท่านหาคุณธรรมไม่ได้เลย เอาเถอะเราจะบอกให้คนไล่ท่า น, นหนีหรือสีลไม่มีสินหรือสีเอาเถอะตะกวดออกมาเถอะเราเป็นมิตรกันอย่างเก่านั่นแหละนี่เราได้ปีดีได้ดีปรีได้อาหารมาเราจะให้ให้ให้ท่านได้กินหมะเปล่าพูดกับตะกวดอีกต่างหากตะกวดก็บอกว่าข้าจะลงไปให้ลึกกว่านี้อีกท้งลู่ ทั้งชั่วร้อยมนุษย์ชั่วชั่วชั่วร้อยชั่วร้อยชั่วคนอนะไรับว่าครับคนหนึ่งมันเม็ดกว่าใช่ไหมจะลงไปชั่วร้อยมนุษย์ชั่วร้อยบุรุษนะ่ะความลึกของของหลุมของรูเนะี่ยเราจะหนีจากท่านให้ลึกที่สุดนะเราจะไม่มาเห็นท่านนีก แล้วเราจะบอกให้คนว่าเน่ยลือศีนั่นมันไม่ใช่ลือสีทายภายในของของเขาน่ะลกลุงลังเต็มไปด้วยกิเลสเขาทำท่าเป็นนักพจน์ทักบดแต่ภายนอกเท่านั้นท่านต้องหนีนะถ้ทาท่านไม่หนีเราจะบอกให้คนลือสีคนนั้นก็เลยเปิดแหนบตรงนอ้กลัวกลัวตัวตะโกดตันั้นจะประจานเหมือนกันไะ อันนี้ก็มาในพระตไตรปิฎกนะอยู่มาในชาติดกดนั่นนองนะที่หลวงพ่อพูดให้ฟังนี่แหละจากท่านฤาษีก็เลยเปิดแนบนี้เลยอในชาตินั้นพระพุทธเจ้าวะชาตินั้นเราเป็นตะกวดเอ่อตะเทวทัตนี่ยเป็นฤาษีในชาตินั้นนี่แหละก็แปลว่าถ้าเห็นกันเมื่อไรพระพุทธเจ้ากับเทวทัตเนี่ยแปลว่าเป็นอริสตูกันตลอดเลยอ่างั้นเลย ไม่เผาผีจีกระดู ก, กันเลยละ่ะตั้งแต่นูน่ะตั้งแต่เป็นพ่อค้าท้องด้วยการขานู้นละ่ะ <c oughs> นี่แหละอันนี้ก็คือการเป็นนักพลดนักปวดของฤาษีสมัยสมัยเป็นชาดกนะพระเวทท่านรอนก็เป็นฤาษีได้ท่านรักษาศีนุโวสรักษาศีนแปดที่ไปนางกระนางพัชชีการหาจารีก็ให แม่ลูกอยู่ด้วยกันแต่พระเวชสันดรไปอีกอยู่ในกระท่อมอีกหลังหนึ่งบําเพนพศติดตามลำพังพระเวชสันดรสมัยเป็นเตมียะอนเขาจะเอาไปจัดการท่านท่านก็หนีไปบวชเป็นลือศีในป่าเขานั่นเขาโค้ชื่อเสียงโด่งดังนี่แหละสรุปแล้วคือพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยบาเพนเป็น ฤๅษีชีภัยแต่เป็นฤๅษีที่จริงนะไม่ใช่ฤๅษีปลอมเหมือนะแต่ท่านบำเพ็ญจริงๆ จ, จ, จนได้ฌานชะมาบาดจิตใจเข้าสู่ความสงบจากนั้นเขาเขาไปสู่ไปสู่พรหมออกจากพรหมลงมากขามาเกิดมาเกิดแล้วก็บำเพ็ญต่อเองนี่แหละที่พระพุทธเจ้าที่ท่านบำเพ็ญสีอสงไขยกาไรแสนมหากับ กาจะได้ตัดสู้เป็นพระ อ, อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าของเราเนะี่ยตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดบางทีก็ตกทุกข์ในยากก็มีเป็นพ่อค้าก็มีเป็นคนทุกคนจนก็มีเป็นสัตว์ที่ทะชานก็มีอย่างที่ว่านะเป็นตัวเฮียตัวอะไรก็ยังเป็นพนะระพุทธเจ้าของเรานะที่ท่านบำเพ็ญนะสมัยเมื่อบำอเพ็ญสร้างบุญบารมีนะแต่ว่า ถึงยังไงก็ตามพระโพธิสัตว์พออายุบำเพ็ญแก่ขึ้นมาแต่จิตเป็นถ้าเป็นคนก็เป็นคนฉลาดถ้าเป็นสัตว์ก็เป็นสัตว์ที่ฉลาดนะแต่ทีย่ยเงไยก็มีเมตตาไม่เอารัดเอาเปียบใครเป็นวนมากนะพระโพธิสัตว์นะนี่ยแหละพวกเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันเนี่ยนะการมาบำเพ็ญอย่างนี้ก็เป็นการสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจ เ, เก็บหอมรอมริบไปเรื่อยๆต่อไปบรารมีของเราแก่กล้าขึ้นไป พอถึงพระศรีอริยะเมตไตรามาตร์พวกเราจะได้ฟังธรรมเทศนาของท่านถ้าเราไม่พ้นทุกในชาตินี้นะพอเราบ่มเพลิงในภพนี้ชาตินี้เอาเถอะข้าพเจ้ า, า, าเราจะไปพักบนสวรรค์ซะก่อนจากนั้นเราก็ขึ้นไปพักอยู่บนสวรรค์พอจากนั้นพอพระศรีอริยะเมตไตรลงมาตรัสเราก็ลงมาเกิดได้ฟังธรรมเทศนาของท่าน จากนั้นการได้สำเร็จมักสำเร็จผลในศาสนาของพระศรีอานถ้าว่าเราบำเพ็ญในภพในชาติในเอาอย่างเข้มงวดกวดขันบำเพ็ญเข้าไปสามารถที่จะพลนตัดกิเลสราคะโทสะโมหะได้อย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างองค์หลวงตาอย่างคุณแม่ชีแก้วอย่างครูบาอาจารย์ของพวกเราท่านท่านก็บำเพ็ญ เ, เอาจิงเอาจังจน สามารถที่จะตัดกิเลสภายในจิตในใจของท่านเป็นพระอริยะบุคคลได้เนี่ยถ้าจริงจังได้ทั้งนั้นแหละนะแต่คาว่าพวกเราไม่จริงจังกันรอรออะไรแหละไปเรื่อยเพอเพอก็ติดคงอย่างที่วานนะขนาดเป็นพระแท้แท้ก็ยังไปห่วงหาอะไรในผ้าจีวรตายแล้วยังไปเกิดเป็นตัวเรนเอีกแต่พวกเราท่านทั้งหลายห่วง่วงอะไรบ้างะ ห่วงอะไรต่อมิอะไรหลายหห่วงเราจะไปเกิดเป็นอะไรเป็นตุกแกเป็นจริงจบตุกแกเป็นหนูเป็นมแมลงส่งมแมลงสาบเป็นได้ทั้งนั้นมันใหญ่ยิ่งใหญ่กวดัดตัวลอีกต่างหากเพราะั้นให้พวกเราท่านทั้งหลายนะต้องฝึกขัดเรื่องภาวนาเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญสำหรับพวกเราภาวนาทำยังไงก็ยังที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวทาจิตใจให้เป็นสมาธิ ก่อนหลับกอนนอนกันนั่งภาวนาขาขว า, ขวาทับขาซ้ายจากนั้นกระริบมือไหวครูสักก่อนพุโทโธธรมโมสรังโคสามจบจากนั้นเอามือลงหายใจเข้าพุทหายใจออกโธพุโทโธพุโทโธนั่งให้นานนั่งให้นานเป็นชั่วโมงชั่วโมงนะจะไปนั่งประเดี๋ยวประดาวนะการนั่งภาวนาพยายามบังคับ เ, เรานั่งอย่างอื่นเรายังนั่งนานได้ แต่นั่งภาวนาจะไปหานั่งกระยุงกระยิงได้ยังไงเพรา ะ, ะนั้นให้พวกเราทุกๆคนนะให้ใส่ใจสักหน่อยในพรรษานี้นะ อ, ออกพรรษาเราจึงดูว่าจิตใจของเราสงบไหมจิตใจสงบเป็นยังไงพวกเราจะได้รู้ได้นะเมื่อจิตใจสงบแล้วน่ะมันรู้ได้ด้วยตนเองนะ ถึงจะพูดหรือไม่พูดก็าตามเรามั่นใจเกินร้อยเลย่ะในตัวของเราเมื่อจิตใจสงบนะถ้าว่าจิตใจไม่เคยสงบเราไม่รู้เราลดแห่งความสงบน ะ, ะถึงเราจะไปพูดให้ใครฟังเราก็รู้แล้วไปพูดหลอกๆเล่นๆเฉยๆถามเขาเฉยๆครูบาอาจารย์เป็นอย่างนี้จิตใจสงบไหม อ, อย่างที่หลวงพ่อไปถามหลวงตาอาการพระแม่กุญจันทร์รักษาจิตใจสงบ ใช่ไหมครับผมถามทําไมอมันรู้แก่ใจแล้วหรือจิตใจสงบนะท่านนะี่มันก็จริงอย่างที่ท่านพูดจริงๆเหมือนกันไม่ต้องถามมันรู้นะมั่นใจเกินร้อยอที่นั่งจิตใจเข้าสู่ความสงบที่เป็นอัปปนาสมาธิเนัตถิสันติปรังสุขขังเนยความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีมันอยู่ในจิตใจของผู้ปฏิบัติ เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆคนนะในพรรษาเนี่ยตรงพ่อเองอยากจะให้พวกเรานั่งภาวนานั่งให้นานดูตามลําพังอย่าไปคุยกันเวลาอดอาหารนอนไม่หลับอยไปหานั่งคุยกันไม่ควรจะสูบบุหรี่นะมาอยู่ในวัดนะงดได้หดบุหรี่ได้ก็ดีจากนั้นก็นเดินยกกลมของใครของเรามันเดินอยู่แถบศาลานี่ก็ได้เดินข้างล่างก็ได้เดิข้างๆศาล า, าก็ได้ จุดไฟสปพพอได้เห็นหเพื่อให้เห็นทางถนนหนทา ง, ทางก็เดินจงกรมของใครของเราจากท่านก็นมานั่งพอนั่งกันเดินเดินแล้วก็มานั่งเรานอนอยู่จนหลังแบนพอแล้วนะ น, นอนไปโลกกี่พกกี่ชาติอมาคราวนึงจะมานอนอีกเหลยมานอนวัดเยมิจะมานอนไม่ใช่มานั่งมาภาวนาไม่ได้นะเราต้องมาภาวนามาวัดเอ้ยผู้ข้าไปภาวนาในวัดจังพูดอย่างนั้นไม่ใช่ไปนอนวัดไม่ได้นะ มาแล้วก็นอนเอานอนเอาจะได้ประโยชน์อะไรเราบางทีเกิดเป็นชาติงูเหลือมงูเหลือมเนี่ยนอนมาก้นคาวนนะในในในปะไยพิดกทั้งคำพูดชาติไหนเป็นชาติเป็นงูเหลือมเลยนอนทั้งวีทั้งวันจนหิวนะ่ะยังค่อยออกไปหากินพอหากินเสร็จแล้วก็มานอนอีกงูเหลือมเนี่ยนอนมากที่สุดนั่นแหละพวกเราเนี่ยเป็นอะไรอนอนมากไม่ดีนะ ตั้งหกตั้งใจภาวนาอยู่นักสถานที่ใดไม่นั่งก็เดินไม่เดินก็นั่งดูใจของตัวเองถึงอยู่ๆในกุฏิก็ดูใจของตนเองนะถึงจะนอนก็มถ้านอนไม่หลับนี่เป็นไรหลวงปู่ลาศท่านว่าท่านนอนภาวนาเนี่ยอนอนไม่หลับท่านว่าท่านจะกําหนดภาวนานอบางทีพอนอนเข้าไปพอบางทีมันพอมันเคอะขึ้นไปเหมือนก็เหาะ ข, ขึ้นไปในอากาศเลยทั้งมีหลวงปู่ลาศท่าน ใท่านโพดนะแล้วก็แสดงเหมือนอภิเดหานเะหาะ ว, วนไปวนมาแสดงท่านนอนนะในอากาศหลงปูล่ลาเวลานอนภาวนานะเวลาตื่นปกขึ้นมาเห็นลมหายใจเข้าออกก่อนเพื่อนนะในนั่นอันนี้พิธีการท่านกูบาอาจารย์ท่านภาวนาของท่านนะ อันนี้พวกเราจะไปเรียนแบบโดยภ้านบรรลับหลับตะพุตตะพืนะเอาอัจฉริยะบทต้องบังคับตนเองยืนยืนเดินนั่งในพรรษาในวันพร ะ, นะวันพระหนึ่งควรจะเป็นอย่างนั้นนะพวกเราเมื่ออายุมีอายุขึ้นมาเลยกันพักแต่ภาวนาก็ไม่ถึงให้ถึงกับเปพ่งถึงขนาดนั้นหรอกแต่ต้องยังไงให้ภาวนาอ แต่าการเดินยังกม้มมีภิกษุณีแก่ภิกษุณีแก่บวดในคลังพธการท่าน่านเดินก็กลัวจะหกล้มเพราะอายอุมีลูกหลายคนภิกษุณีณท่านนั้นอพอเป็นพอท่านั้นมากับสามีตายพอสามีตายท่านก็เป็นผู้ครองมรดกแทนสามีแต่ลูกสาวลูกชายเกิดมาแย้งมรดกกันบ้างนี่ยนนั้นก็นยักได้ยัง นางก็เลยเอาแบ่งให้ทั้งหมดข้าไม่เอาแล้วเออแต่นี้ลูกสาวลูกชายกับใครๆบอกแบ่งมรดกไปแล้วกันใครจะเป็นคนดูแลแ่ใครก็เกียงกันว่เนะียนางโอ้ข้าไปตายดาบหน้าดีกว่าไม่เอาละไปบวชที่ดีกว่านางอายุจะเข้าแปดสิบเจ็ดสิแปดิบแล้วไปบวชไปบวชไปพิษุณี จะไปเดินก็เดินไปได้เพราะมื่กลางคืนไม่มีไฟใช่ไหมล่ะไม่มีไฟเทียนไม่มีไฟฟ้า น, ะนางก่อนนะเอามือเกาะต้นเสาต้นเสานะที่เป็นเสมอกันกับพื้นนะเอาหมอบรืกข้างหนึ่งมือข้างขวาเนะ่ยเกาะต้นเสาแล้วก็เดินรอบต้นเสาเดินพุทโธพุทโธพุทโธเห็นอเนจังทุกขังอนาตตาค่อยๆเดินรอบต้นเสา นี่แอันนี้ก็เดินอยองกลมเหมือนกันไม่ใช่ว่าจะเดินเป็นทางสะก่อนยังค่อยเดินนะสรุปร ก, ก็คือการเปลี่ยนเอเยอริยาบทนะัะท่านก็เดินรอบต้นเสามือเกาะมือขาวอขาเกาะต้นเสาต้นเส า, สากลมผลในสุดท่านก็ภาวนาได้สําเร็จเป็นพระหรหันนะนี่แหละคือความความตั้งใจของท่านมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระรหันเป็นภิกษุณีแก่นะนี่แหละอันนี่ก็เห็นอยู่ใน ทำรรมาปฏิทักษสถานและทำมบทมาในพระไตรปิฎกเหมือนกันที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวให้ฟังเพราะฉะนั้นอยากให้พวกเราในพรรษาเนี่อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวให้ตั้งอ์ตั้งใจภาวนาตนะ่างอื่นแล้วก็ทำมาละลักเรื่องทานเรื่องศีลแล้วก็บําเพ็ญมาพอสมควรเรื่องจิตตภาวนารู้สึกว่าจะอ่อนด้อยไปอยู่อยากจะให้ภาวนาในในพรรษานะี่อยู่นสถานที่ใดจะไปคุยกัน นั่งภาวนานั่งพยายามให้นานใจให้สงบนะเอานั่งสมาธิในนี้นะ